ที่สาลาน้ำเดี๋ยนี้ก็มีสะพานเดินได้สะดวกสะพานนี้ไม่ใช่เฉพาะพารามิโอมที่ได้ใช้ประโยชน์มีสัตว์บางชนิดก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยที่เป็นขาประจําก็คือจิ้งเหลนเวลาเดินข้ามสะพานมันจะเจอจิ้งเหลนตัวหนึ่งมันนอนอยู่แล้วก็ หลังก็สังเกตว่ามันชอบมนอนตอนเวลาที่มีแดดมันมาพึ่งแดดหรืออาบแดดนั่นเองเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้ามก็หลบแต่ตอนหลังก็เริ่มได้หลบแล้วมันก็เริ่มคุนยอมให้กจ้องใกล้ได้วันไหนไม่มีแดดมันก็ไม่มาแต่ถ้ามีแดดก็จะเห็นมันมาพึ่งแดดอยู่ที่สะพังมันนึกดูก็คิดว่า ที่มันพึงแดดก็เพราะธรรมชาติของมันนั่นเองนะมันเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นนี่มันหมายความว่ามันไม่มีการปรับอุณหภูมิให้คงที่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเรามีระบบที่คอยทำให้ร่างกายนี้อุ่นคงที่ 36, สามสิบหกสาสิบเจ็ดองศาแต่ว่าสัตว์แบบพวกเลยคานนี่มันสัตว์เลือดเย็น มันไม่มีระบบที่จะทําความร้อนให้แก่ตัวมันจากภายในมันก็เลยต้องมาใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถ้านเป็นธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้ต้องมานั่งหรือยืนหรือนอนรับแดดถ้าเห็นถ้าอยู่กันเป็นฝูงๆก็จะยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหน้าคําก็เป็นอย่านี้ให้มนุษย์เราจะเรียกว่า มีโทคก็ได้นะที่ว่าเรามีระบบที่จะช่วยบำบัดทุกข์จากความหนาวความเย็นด้วยระบบภายในของเราเองแต่ว่าสัตว์พวกสัตว์เลือดเย็นนี่มันต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือว่าความร้อนจากภายนอกซึ่งในแง่หนึ่งก็มีข้อดีก็คือว่ามันกินน้อยมันไม่ต้องกินมากนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะ อาศัยพลังงานจากภายนอกมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพก็คงคล้ายๆคนที่อดอาหารเนะถ้าจะอดอาหารเขาก็แนะนำว่าต้องไปถึงแดดตอนเช้าช้าหรือตอนเย็นเย็นเพราะว่าคนที่ผดอดอาหารมีพลังงานในร่างกายน้นนอยก็อาศัยความร้อนจากจากแสงแดดนั่นแหละช่วยให้ร่างกายปรับาธาตุได้มันนม่สามารถตับาธาตุได้ดีด้วยอาหาร เพราะว่าไม่กินเลยหรือว่ากินน้อยก็ต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยได้ทั้งวิตามินดีแล้วก็ได้ทั้งการปรับภาพนี่ต้องมาพูดในแง่หนึ่งการที่จิ้งเหลนหรือว่าสัตว์ประเภทนี้มันอาศัยความร้อนอาศัยแสงแดดม่ช่วยเราก็จะพูดแต่ ว, ว่ามันอาศัยแสงแดดมาช่วย แก้ทุกช่วยคลายทุกอาศัยปัจจัยภายนอกมาช่วยคลายทุกส่วนมนุษย์เราเรามีความสามารถที่จะใัยปัจจัยภายในมาช่วยดับทุกได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทุกทางกายรนรวมเป็นทุกทางใจเดียอันนี้เวลาพูดถึงทุกก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเออไอ้ทุกนี้มันมาจากไหนในทางกายภาพ ในทางกายแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเออทุกมันมาจากภายนอกมาจากบินฟ้าอากาศมาจากสิงสาราสัตว์ที่มาคุกคามแต่นี้ในีงยทุกทางใจเลยมันมาจากไหนมันก็ตอบได้สองแง่ถ้าพูดในสายตาคนทั่วไปก็คือว่าทุกมาจากคนอื่นมาทําให้เราหรือว่าทุกมาทําเกิดขึ้นจากตัวเราเองคนส่วนใหญ่ก็มักจะตอบ ในข้อแรกกัข้อสองคือทุกเกิดจากคนอื่นมาทําให้กับเราหรือว่าทุกเกิดจากเราทําเองนี่จะตอบอย่างแก้งคัดนะตามหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าผิดทั้งคู่ตัวเจ้าตัดว่านี่เป็นมิจฉาทิฐิทั้งคู่ถ้าฟังดูมันก็เหมือนกับว่าแย้งกับที่เราพูดที่เราสอนกันมาโดยเฉพาะที่บอกว่าทุกมันเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่น จากนี้ถ้าพูดกันอย่างเชิงคัดและนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดจากตัวเราเองแคทีเดียวนะอย่างตอนนียถ้าเกิดว่าอาตมาบอกว่าทุกคนโกรธสิหรือทุกคนโมโหโสิไม่โมโหหรอกหรือปลกความโกรธไม่ขึ้นโมโหไม่ขึ้นตัวเองจะสั่งให้โกรธมันไม่โกรธตัวเองจะสั่งให้โมโหมันไม่โมโหเัวเองจะสั่งให้อยากจะสั่งให้ดีใจมันก็ไม่อยากไม่ดีใจ แต่ว่าถ้าเกิดจะมาพูดคําหยาบคายดูถูกดูหมิ่นทันทีที่หูที่ยินเสียงมันก็โกรกขึ้นมาเลยนะครับมันก็หมายความว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดจากเราทําเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปไม่ใช่ว่ามันอยู่ในอํนนานาจของเราไม่ใช่ว่าเราจะบงการเราจะสั่งหรือว่าเราจะจัดการได้วัยช่างก็เกิดขึ้นมาจาก การที่ตาก็ทบตูดหูได้ยินเสียงแต่มันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีปัจจัยอื่นตามมาเช่นว่าเรามีตัวลมูลมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะยังมีอวิชาอยู่แล้วก็ไม่มีสติตกำกับด้วยนะพอหูได้ยินเสียงไม่มีสติก็โกรธขึ้นมาได้ทันทีแต่พอมีสติออกก็ระ ง, งับความโกรธได้ ในตัวอย่างนี้มันก็หมายความว่าความทุกข์นี่มันก็ไม่ใช่พ่อเราเป็นคนทําสียทีเดียวคนอื่นทํามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าดา่าบางทีคนอื่นด่าก็ไม่โกรธแม้แต่ทุกตีก็ไม่โกรธคนถูกทุกคนถูกตีเขาก็ไม่ทุกข์อะไรมันก็ไม่เสมอไปที่ว่าคนอื่นทําเราถึงเป็นทุกข์แล้วคราวนี้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรนะพระเจ้าก็ แล้วท่านตอบท่านก็ตอบแบบเป็นกลางๆท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เอาพราะคนเราทุกข์เพราะอาวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยให้สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัย้นามรูปนามรูปเป็นปจัจจัยสใสยตัญหะท่านะาก็ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็คือว่ามันทุกข์เพราะมีอวิชชาอาวิชชาก็ปุนแต่งปัจจัยเป็นปัจจัยที่สู่ลัดไปถึงเรื่องของภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติ ชามรัะทุกขโทมันนับคือมันมีกระบวนการของความทุกข์อยู่ซึ่งเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยมันไ ม, ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวคนเวลาเรามองว่าทุกข์มันเกิดจากเราทําหรือเกิดจากคนอื่นทําให้อันนี้เป็นวิสัยทิศผิเพราะว่ามันยังเป็นการมองแบบงมีตัวมีตนอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถูกต้องกับตามความเป็นจริงด้วยการมองอย่างแรกว่าทุก เป็นพ่อฉันทำตัวฉันทำเองมีผลว่าเป็นสัจจะทิฏฐิหรือความเชืมันมีเติดตนที่ยั่งยืนหรือความทุกข์เกิดจากคนอืนทำไมอันนี้มันก็เป็นสุดชัยธาทิฏฐิความเชื่อตัวตนดับศูนย์อันนี้มันจะเป็นทำไมถึงเรียกเป็นนิจชาทิฏฐิแบบสัสจะหรือแบบเชษฐามีอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยเรา คงสรุปไม่ได้ง่ายๆว่าฉันทําเองหรือว่าคนอื่นทําให้เพราะว่ามันมันหยาบเกินไปเหมือนก็บอกว่ามีถาวาไปซื้อไปซื้อของชิ้นนี้ที่ไหนบอกซื้อที่ใครภูมิมันกว้างมันต้องบอกว่าซื้อที่ถนนไหนร้านไหนมันถึงจะไปถูกถึงจะซื้อได้ถูกในตองเด็กันเวลาเราบอกว่าทุกมันเกิดจากเราทําหรือว่าเกิดจากคนอื่นทําให้เนี่ยมันกว้างไป จนก ร, ระทังไม่รู้ว่าจะดับกันที่ตรงไหนบาง ท, ทีทำให้ผิดทางด้วยอย่างคิดว่าทุกเกิดจากฉันทำเองก็ไปทรมานตนซะเลยแบบพวกอัตตากิลมะถามวิโยกทรมานตนเพื่อจะให้ไอ้ตัวฉันนี่มันเหตหลาบจะได้ไม่ไม่หาความทุกข์มาใส่ตัวนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแต่ถ้ามองย่อยลงไปว่าเออแทนที่มองเป็นตัวฉันหรือตัวใครก็ตามมองว่าเออ เ, เพราะว่ามันมีกิเลสอยู่มันมีอวิชชาอยู่มันมีอกุศลมูลอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่และมันไม่มีสติมากํากับไม่มีปัญญาไม่มีกรุณาเข้ามาทํางานความทุกข์เกิดขึ้นได้มันจะเกิดจากใครก็แล้วแต่ ต, ต้นตอมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่แตถ่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้อยู่โลภะโทสะโมหะหรือว่ายังมีอวิชชาอยู่นะีไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอก เช่นลูกก็ดิ่นเสียงการประิปฏิบัติของคนที่ทํากับเราหรือว่าคําพูดคาจาของเขานั่นก็อนหนึ่งแหละหรือว่าเป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดถึงเรื่องที่ทําให้เศร้าหมองถึงเรื่องที่ทําให้ทุกข์จะเป็นอย่างแรกหรืออย่างที่สองก็ทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่ามันไปปลุกมันไปกระตุ้นให้อะกศุศลโมลทำงาน นะหรือว่าไปทําให้อคติสมูลนี่เข้ามาครอบงำใจหูได้ยินเสียงถ้าหากว่าไม่มีสติมันก็โกรธโกรธที่ว่าเขาด่าเราหรือถึงไม่มีใครมาทําอะไรกับเราเลยแต่พอเราคิดเราปรุงแต่งไปน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกลุ้มใจมันก็ทําให้เราทุกข์จะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ตามใดที่มันมีเชื่อมันมีมูลอยู่นะก็คือตัว อกุศล ม, มูลตัวโลภะตัวสามโมหะหรือที่อธิบายด้วยหลักปฏิจจานก็ยาวหน่อยตัณหาอุปาทานถ้ามีตรงนี้มนแลร่ก็ทุกมันนั้นให้ตรงนี้เราเราควรต้องเข้าใจเพราะว่ามันหมายความว่าตราบใดที่ยังมีสิ่งนี้อยู่ตัวอวิชชาตัวตัณหาอุปาทานแล้วก็ขณะที่สติปัญญาเมตตากรุณา เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกับไฟตาบใดที่มันยังมีเชื้ออยู่มีหญ้าแห้งอยู่พอเจอสะเก็ดไฟเท่านั้นแล้ก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วลุกแล้วไม่มีความชื้นถ้ามีความชื้นไม่มีน้ำมาม า, มาลดมาดับมันก็ต้องลานต่อไปไฟจะมาจากไหนก็แล้วแต่ไฟจะมาจากคนจุดหรือไฟจะเกิดจากการเสียดสี ของไม้ไัยจะมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภาย น, นอกถ้ามันมีเชือ้อมีอุณหภูมิที่พอเหมาะขณะที่ไอตัวที่จะขัดขวางไม่ให้มันเกิดเช่นน้ำหรือความชื้นไม่มีเนี่ยมันก็ต้องเกิดไฟไม่ป่าเป็นธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ไม่ต้องมีตัวมีปนเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เป็นไป ต, ตาม หลักกลางๆของมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าการที่เราจะบอกว่าคนนี้ดีคนนั่นชัว่วเนี่ยบาถึงก็พูดยากนะเพราะว่าแต่ละคนก็ก็กมีทั้งส่วนที่ดีความดีอยู่แล้วก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่คนดีก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่มีความโกรธมีความเห็นแก่ตัวมีความอิจฉาอยู่ส่วนคนที่เรา ตีตราว่าชั่วไม่ดีเราก็มีความดีของเขาอยู่จะเป็นคนรักกตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่ยังมีความเฉสระกับพี่กับน้องอยู่มันก็มีหรือแม้กรทั่งความเมตตาความกรุณาก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเจริงอกงามเท่าไหร่ในสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะไม่ไป ตีตาแบ่งว่าใครดีใครชั่วนแต่ว่าทำางานเราที่ทําให้ส่วนดีมันจะเลยงอกงามขึ้นมาและทําให้ส่วนที่ไม่ดีมันแปรเปลี่ยนไปทํางเราที่ี่ทำให้ความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธเป็นความเมตตากรุณาทํางานเลยทั้งๆทำให้ความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นการเห็นแก่ส่วนรวมทําไงทําให้ความหลงมันกลายเป็นปัญญาขึ้นมา หรือว่าที่ชอบพูดอยู่ไหบอกว่าทำไงที่มันทำให้ขยะมันกลายเป็นปุ๋ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่น่าลังเกียจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเรามาฝึกฝนพัฒนาต น, นเพื่อมาบ่มเพาะคุณภาพภายในใอ้ส่วนที่ดีก็ทําให้เจริญงอกงามมากขึ้นไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาไป หรือว่ากลายเป็นปุ๋ยให้กับส่วนที่ดีอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมการที่พระเจ้าสอนเรือเ่องทางสีนภาวนาหรือสีนสมาธิปัญญาก็ดีว่าก็คือการมาเติมตรงนี้เนะี่มาทําให้ส่วนที่ดีเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นมี อ, อย่างที่เรามาเจริญสติแล้วก็มาเจริญสติเพื่อให้สตินี่ก็ามาขับไล่ความหลงความฟุ้งซ่านการปฏิบัติธรรม มันไม่ใช่หลวงกาไปขจัดไปเก็บกดไอ้ส่วนที่ไม่ดีเอาไว้เราเพียงแต่เอาเพิ่มูนส่วนที่ดีขึ้นมาขนาดเดียวกันไม่เติมอาหารไม่ไปบำรุงไอ้ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นอกุศลเท่านั้นแหละเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปกดมันเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปโค่นมันเราเพียงแต่ไม่ให้น้ํามันหรือว่าเราเพียงแต่ไม่ตัดรากมัน มันก็เหี่ยวเฉาไปเองหรือว่าแห้งตายไปเองความฟุง้งซ่านเราไม่ต้องไปทําอะไรมันต้องไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปห้ามไม่ใช่ไปห้ามคิดไม่ใช่ไปกดความคิดเอาไว้เพียงแต่ว่าเราพัฒนาสติให้มีมากขึ้นให้อาหารแก่สติให้สติเข้ามาจัดการกับความโกรธความหลงหรือความฟุง้งซ่านได้เองอย่างที่ พูดว่าเนี่ยในน้ําเน่าเนี่ยเราไม่ต้องไปสูบไปตักมันออกเพียงแต่ เ, เราทดน้ําน้ําดีน้ําใสใสเข้าไปในสระน้ําดีมันก็ค่อยไล่น้ําเสียวไปเองมันเป็นธรรมชาติของเขาแลมันเป็นปฏิปักษการเดิรดโอัตโนมัติข้อที่หนึ่งคือว่าเราต้องพยายามบํารุงทำมะฝ่ายกุศลเอาไว้แล้วก็ไม่ไปบํารุง ทำ ม, มาฝ่ายอากุศลเช่นความโกรธ ถ, ถ้าเราโกรธบ่อยๆโกรธแล้วเอาไปคิดเอาไปปูนแต่งเนี่ยความโกรธก็กระจายขยายตัวหรือว่าจะเลงอกงามมากขึ้นและยิ่งเราทําตามความโกรธเช่นไปด่าหรือไปทุบตีนะมันก็แทบจะทําให้ไอ้ความโกรธนี่มันแตกหนอ่อออกดอกผลไปเรื่อยๆเมื่อเราโกรธใครเนี่ยถึงแน้ มันจะผ่านไปแต่ความโกรธนี่มันไม่ไปมันไม่หายไปไหนนะมันกลายเป็นอาศวะมันเป็นอนุสัยมันกลายเป็นตะกรนที่สะสมอยู่ในใจเราทําให้เราโกรธง่ายขึ้นแต่กอนโกรธยากแต่พอโกรธบ่อยๆเข้าโกรธบ่อยๆบ่อยข้ามก็จกันที่โกรธง่ายเพียงแค่ทําอะไรไม่ถูกใจหรือทําอะไรพูดจาไม่ถูกหูก็โกรธละแล้วที่สาคัญก็คือว่าเวลาเราโกรธไปเนี่ย มันก็มักจะทําให้คนที่ถูกโกรธเนี่ยก็พลอยได้รับอคุณผลคิดจากเราไปด้วยเขาได้รับผลคิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะโกรธขึ้นมาเขาโกรธขึ้นมาเขาอาจจะมาตอบโต้คนที่ทําให้เขาโกรธหรือไม่ถ้าเขาทาไม่ได้เขาก็จะไประบายใส่คนอื่นต่อไประบายกับคนที่มีอํานาจน้อยกว่าอายุน้อยกว่าแล้วก็มักจะพบว่าคนที่ ช อ, อบหลังแก่คนอื่นเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยศึกษาไปดูก <remembrance. S 2> ็จะพบว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีเมื่อสักสองสามปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดปีอยากได้จักรยานของเด็กอายุสี่ปีเขาทำยังไงเขาฆ่าเลยเด็กอายุสิบ็ดขวบนี่นะฆ่าเด็กอายุสี่ขวบคราวนี้พอเราไปดูประวัติเขาจะพบว่าเขาอยู่ในครอบครัวซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรง พ่อนี่ก็ชอบทุกตีแม่ขนาดพ่อนี่เป็นอำมาตย์อำมาพึ่งนะพิการแต่ว่าเป็นคนที่อีกระแว anger ถึงคนขี้หึงเพราะว่าอายุห่างกันยี่สิบปีรู้สึว่าตัวเองนี้แก่ก็ละแวงว่าเมียจะไปคบชู้ที่อายุอ่อนกว่าตัวเอ ง, งก็ละแวง g e r ถึงจะตีแม่ในบ้านนี้ก็ไม่มีความสุขเลย พี่สาวพี่ชายก็ติดเหล้าทะเลาะกันอยู่ในครอบครัวซึ่งตัดเส็นกันด้วยกําลังเห็นว่ า, า้็เติบโตมาเจ็มเห็นว่าความรุนแรงมันรื่องธรรมดาตัวเองก็ถูกพ่อตีถูกหน้าตีงั้นมันได้ไปไหนไอความโกรธความรุนแรงมันได้ไปไหนหรอกตัวคนทําตัวคนที่ตีตัวคนที่โกรธไอความโกรธความรุนแรง มันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นในตัวคนนั้นส่วนตัวคนที่ถูกกระทาความรุนแรงก็ค่อยๆส่องสั่งสมขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนก็ว่าไอ้โพสะมันได้รับการบําลุงลดน้ำอยู่ประจำประจมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมาแต่แล้วมันก็หาทางไประบายกับคนอื่นที่อ่อนกว่าที่อายุอ่อนกว่าหรือว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็ไประบายกับผู้หญิงถ้าเป็นผัวกันไประบายกับเมียเมียก็ระบายกับลูกนะเป็นทอดๆไปแค่ความชั่วร้ายนี่หรือว่าความโกรธหรือว่าอคติผลพวกนี้นี่มันมันเกิดขึ้นแล้วนี่มันมันออกดอกออกผลนะมันเหมือนกับไอ้หญ้าพาวัชพืชหญ้าคอมบินิทเนี่ยที่มันแตกไปเรื่อยเพราะนัวิธีการที่จะจัดการก็คือว่าต้องไม่ทําให้ไม่ไม่ให้อาหารจำมันต้องเอา ความดีเอาเมตตาเอากรุณาเอาสติเอาความยุตตัวทุกข์เข้ามาแทนในจิตใจคนลอมก็มีทั้งสองอย่างธรรมะฝ่ายกุศลกับธรรมะฝ่ายอกุศลถ้าเราปล่อยให้ธรรมะฝ่ายอกุศลงองงามขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายไม่ต้องบอกหลือว่าใครมาทําให้ทุกข์จะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นเราก็าแล้วแต่แต่ถ้ามันมีธรรมะฝ่ายอกุศลอยู่เนี่ยทุกวันยังข้ามเพราะมันมีเชื้อ แต่เราต้องพยายามส่งเสริมทำให้ฝ่ายกุศลให้ดีขึ้นให้ใหเจริญงอกงามมากขึ้นมีเด็กเนี่ยเด็กในหมู่บ้านอินเดียนแดงเขาเห็นบ้านเดีนแดงนี่เราก็รู้ว่าในอเมริกานี่มันถูกหลังแก่ถูกถูกถูกเหยียดยด่ำโดยคนขาวก็มีข่าวหนึ่งก็มันก็มีเรื่องมีการทุบตีหลังแกเดีแนแดงหลานก็สังเกตว่า ปู่นี่ถ้าทังไม่ชูดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นปู่ก็อธิบายให้หลานฟังว่าตอนนี้หมาป่าสองตัวในใน่มันกําลังสู้กันหลานก็ถามว่าหมาป่าสองตัวเป็นยังไงอ่ะปู่ก็บอกว่าตัวแรกนี่มันดูมันชอบแก้แค้นมันชอบอารวาสเกลื อ, อการาด ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ชอบตังแกใครเป็นตัวที่มีเมตตากรุณาหลังก็ถามว่าแล้วตัวไหนจะชนะบุก็บอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยงให้อาหารจะตัวไหนเราจะให้อาหารจะตัวไหนถ้าเราให้อาหารจะตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองคือความเมตตากรุณาก็ชนะแต่ถ้าเราให้อาหารแตตัวแรกคือโกรธโกรธบ่อยพยาบาทไอ้ตัวแรกมันก็ มีชัยในจิตใจเราก็มีสองอย่างนี่แหละท ำ, ทำฝ่ายากุศลกับทาฝ่ายอากุศลทําฝ่ายอกุศลก็โทสะโมหะโลภะความพยาบาทความไม่มีสติความลืมความหลงความประมาทอันนี้มันเป็นอกุศล ส, ส่วนที่กุศลก็อโลภะอโทสะอโมหะนะก็คือความเอเื้อเฟือเผื่อแผ่ความมีสติความรู้ตัวสมาธิ ความอดทนขันติเป็นต้ น, นหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้ฝ่ายกุศลเนี่ยจเจริญงอกงามขึ้นหมือกับการลดน้ํำเราลดน้ำํำบ่อยๆลดน้ำํำบ่อยๆนึกคิดในทางที่ดีรับรู้รับเห็นในสิ่งที่ดีหรือว่าแม้จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีสติทําให้วางได้ไม่พยาบาทง่ายแม้จะถูกการกระทบกระทั่งก็ให้อภัยหรือว่า พยายามที่จะแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความเพียรบางรับรู้อะไรก็รับรู้อย่างมีสติมีทำทำงานทําอะไรก็มีสติกํากัดตรงนี้แหละมาช่วยทําให้ทําฝ่ายกุศลของเราจเจริญงอกงามนี่ถ้าเจริญงอกงามเนี่ยแล้วเนี่ยถึงเวลาจะให้มันโกรธนก็ไม่โกรธนะถึงเวลาจะให้มันด่า ม, มก็ไม่ด่านะแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อ่ะอยากจะให้มันรักอยากจะให้มันเมตตาอยากจะให้มัน ปล่อยว่ามันปล่อยไม่ได้นั่นเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพยายามทําให้ทำมาฝ่ายกุศลเจริญงอกงามไปไเรื่อยๆแล้วก็แล้าธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็จะไปจัดกากับธรรมะฝ่ายอกุศลเองและยิ่งถ้าเราไม่ไปให้อาหารไม่ไปบํารุงธรรมะฝ่ายอกุศลเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปหายไปถ้าเป็นสิงเสือสิงจะทิ้งได้ก็กลายเป็นเสือสิงจะทิ้งหน้าที่เชอง เ, เอามาเล่นละครสัตว์ได้ ไม่ไปทําร้ายผู้คนการปฏิบัติทำเคืนนี้มันต้องใช้หลักตรงนี้เข้ามาดูคนเราก็มีทั้งบวกและลบอยู่ในตัวไม่ใช่ว่ามันจะมีไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วในความสุขความทุกข์นี่มันเราต้องมองไปแยกย่อยให้ไปถึงให้เห็นถึงเรื่องของทําฝ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉนันหรือเป็นคนอื่นที่ทําให้ทุกข์ ต่เป็นมองหยาแบบนั้นจะเป็นมองเป็นตัวเป็นตนตอย่างนั้นมันมันอยาไปแล้วก็มันไม่ได้ช่ว ย, ยทำให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทำให้เรามีขจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง